ให้เราได้เชื่อในขงพุทธการด้วยกันคเชื่อนั้นเด็กมะขุนผ่านเพราะภูมิปีติออของค น, ม, งคนมีความเหลื่อมล้ำต่างสูงต่างกันพุนขยับไปเป็นขยับไปขยับกา่บกางนต่างขยับคนไปต่างกาลังตัวหลายต่างหุงก็ผ่านได้ผ่านนี้ก็ในขั้นนั้นก็เป็นพวกอุปติกันอยู่วิปีเป็นอยู่ยมีอยู่มากเลย ัมนมันก็เหมือนออกขวานก็มีกสันถากนะถางไม่โตโตน้อยเป็นเจ็บมือสิ่งที่ทำให้คิดกัเริ่มมันมากมาก่มากมากยิ่งกว่าสิ่งที่ทำคือให้สงบมันมายถว่ายามมีน้อยกว่าของแสลงบนไหน่ ตัวนี้โล ก, กําลังเสริมกันเรื่องราคาป้ำมันนี่มากทีเดียวในโลกนี้หาความต้องกาัไราคานันัเป็นล่างเ่าหงความโลภทั้งหลายมีก่ตัวนี้ผู้ในนนติดินันหนึ่งก็ผู้หญิงคนหนึ่งก็ติดแต่ น, นี้เท่านั้นแล้วผู้ชายคนหนึ่งก็เหมือนกันกอดกันอยู่นั้นแล้วเขาบอกว่านี่มาจากออสเตรเลีย หวังนั้นนะเขาจะมาสะแสดงที่อะไรเขาจะมาสะแสดงอะไรรแมทหรอือรซ่้ยรู้ไหมผมลืมไปเนี่ยโรมีคืนโรโรรแม ท, รทมหรือโรซอ่เียที่ออ้ตาตาหมึหรืออะไร น, น่นเท่านีสัองสั ป, ปดาห์พอสองสั ป, ปดาห์เลยเมืองไทยเรามันมันก็เป็นเมืองเดินเนก้าอยู่แล้วมันศึกษาอย่างพอตัวยอย่างนี้แล้วมันท ห, หารเก่นฮัทิณธรรมมันก็ยินนักมันคำเลิกเป็นตระเด็นโลกส่งเสริมแต่ด้านนี้มาก มีใครที่จะไปสนใจนี่มันต้องทำสนใจเรื่องไห น, น, นไมันคงมีแต่เรื่องน่าอายเยอเราพอเราเคยเห็นเราเราทุกโผกไปดูอย่างนั้นแทนที่จะมันจะให้มีอะไรในเรื่องเกี่ยวกับโลกมันไม่เป็นนั่นนะมันกระโดหดหูไปกลับวงข้ามไปนั่นะเพราะเราไม่ดูแบบโลกทั่วทั้งแบบทั่วแบบเพลินเป็นเช่นนี้ไม่ชพีงยงเราให้ดูเรื่อง การบ้านการเมืองเกี Dartmouth ่ยวความสงบของคนส่วนรวมการบ้านการเสียของิใจคนมันมันดูอย่างนี้งานดูนิดหนยบุตธรมก็นันตมาสัมผัสอะไรสิไปดูจากนั้มาสัมัสเป็นบทธรรมมากไปะ พอจะอาอการ์ตูนเคลียร์ไหมผมเพิ่ลืมผมเอาไปหันเออตลกอ่านจะไรก็น่าดูหน่าอ่านทุกทีอด่องเราไงทำรูปดีๆทำไมมันทำเหมือนดีน่จริงเหมือนจริงพวกการ์ตูนเคลืยรนีคนตัวใหญ่ๆนะหูใหญ่ขนอนเป่าขนว่านเนาะทำทำทมือนทำท่าใหญ่ๆด้วยนะมือรู้ กวมุกปุ๊กเหมืนหนอนกันแจจะไปไหนแก จ, จะไปไหนนั่นหว่างั้นแกจะไปไหนหว่าพอเรียนว่านมันมันดูลูกมันประกอบกันอย่างนี้ยืนยตัวมันเแลอืำ ม, ม, มือที่คน น, นนั่นแ่ละบุณงามแต่คนนั่นไม่มีอะขี่นี้ก่อนจะมีข้าวหลังจ ะ, จะมีจะมีภาพที่สองทำทามือขี้ มีแก้จะไปไหนค่าจะไปนอนรอโอกาสเป็นนายกนึกโอ้แกจะหอบเสือไปไหนวางนั้นนะแกจะหอบเสือไปไหนเน่ะวางนั้นีนี้พอรูปที่สองนีนก็เมือก็อบเสือแล้ว่ะอแต่ตัวก็เ่งเริ่มมุ่งห้าไปดินเลยข้าจะ นอนเราโอกาสเป็นนายกต่างเหมือนหอกเสื อ, อพอ่พอรูปที่สองที่สามพอ่อพอรูปต่อมันที่มีจักรยานถือจักรยานเด็คนใหคนเก่านั่นแหละรูปเก่าคนเก่านี่น ท, ทำขบ ข, ข, ข, ขนันในไหนอีกะ บริษัทห้าร้อยโหราจารย์เขาผูกขดัดกันหมดแล้วนี่ ย, ขออข เ, ยาาเขาผูกขาดให้ทหารเลเนางเลยครับบริษัทบริษัทห้าร้อยโหราจารย์เขาผูกขาดให้ทหารเล่นวางนี่รูปมอนยืน ถือจะไปยืนอยู่กับจัรยานกันอนะไรเงี้ยลูกตอไปอีกนัก่นกับลูกคนก้อนี้นําทําหน้าหน้าแต่เขารียกยนแล้วน้ําตีนยะืนมีสองลูกตัวนี้ยืนมีสามูกนะพูดตอไปลนะคนนี้นะจะปเป็นลูกนะนะัก้นอะดวงเมืองานันเนะ ร ừng, ร ừng. รถถลงเมืองคขัทานว่าเขาอ่อยเขาทานว่ต้องทาตรตนนายกเท่านั้นตึงกระบอกแล้วแกเป็นอะไรอะไว้นะันคงอย่ลงเมือง เขาไต้องทหารเท่านั้นเป็นต้องทหารเป็นนายกเท่านั้นเปลนกรหมอมแล้วแต่เป็นอะไรล่ะยี่ยืนหอกเสือทำหน้าหัวเราะหน้าแห้งนะทำเหมือนยืนะนียืนอย่างกากรินน่ะมีสตรีคือกรี๊ปราหมทข้าผมข้าผมทำตลกอยอ่ มันก็เรื่องในภูนบอกแล้วไในเชื่อมันวทำตจแล้นอะไรบ่อยเสื็จแล้วก็วจะอ่านแล้วสุดท้ายเรวันในพูนที่แตกจนเบือนแล้วก็บอกแล้วขี่โยมก็ทำถา้ถาอาคนี้มาจากบ้านนามนมาพักอยู่ที่วัดทุงงท่งสว่างกับผมผมอยู่วัดทุ่งสว่าง ก, ก็ท่านาจรย์กูบอกมาจากสักลนี่กับ้านนามน ท่านจันมั่นวาเราก็สนใจทันทีเลยก็เลยถา ม, า ท, า ท, มา ท, า ท, ท่านเป็นยังไงไปอยู่ท่้าจันมั่นดีมการที่ปฏิบัติท่านเป็นยังไงมีท่าเหมือนมากน้อยแค่ไโอ้ยท่าม่รับทาเมนมากหมาย้าเด็ดตวยไงใครปฏิพืตอตัวไม่ดีหรืออะไรนั่นอืมให้บมาขับกลัวนี่ไม่ดีนะ ท่านมันมีอารมณ์ไหวท่านมีอารมณ์ใครทั้งนั้นอฏิบัติแต่งแต่งเราทําังไงมันถึงใจปังเลยนะที่ว่าใครปฏิบัติไม่มจริงไม่จรงเรละหลอกเลยแงละท่านไล่เลยม่นถึงใจเลยท่านก็คนคนหนึ่งแล้วพระทั้งหลายเรานั้นนี่าจมาจากคนคนหนึ่งนั้นกัน ท่านทำไมท่านแบบนั้นดีได้เราอยู่ไม่ได้เราก็เร็่ยวยิ่งของหมาที่นึกในใจนะมันมันปังก็ในใจเลยยิ่งชอบใจเเกิดเละติดเราไปานั่นะเพราะมันหาความจริงหาของจริ ง, งมันยิ่งเพิ่มความอยากไปมากเสี่ยคือน้วนเขานั้น สันษานอกว่ผมประมาณตั้งสสี่านตอนนั้นผมได้แปดพรรษาละเริ่นหกดับเนื่อนอดับบัวตัเสร็จแล้วมันเล็ดไปไปเอิ้มนะแน่นี้กินกูสิท่านท่านยากนว่านมูลมันอยู่บนโคกมัน สร้างพระที่ที่ไหนทักคุติว่างท่านเนตรองค์ที่ไปตายอยู่ที่อำเภอภูยางท่านเนตรหนีไปหลังเมือ่อวานเนี่ยผมก็พอจ้ทราบถึงนี่เป็นว้านา ม, ออามันของเมื่อวา น, นผมของถึงพอดีเลยได้กุติว่างนัดเลย เนละิมันกล้าหามันเขาทานสมาหล็อยงนี้กกฏิผมมันก็อยู่อย่างที่นัที่เขาล้างอาหารล้างอะไรนั่นน่ะขนาดตรงนั้นอยู่ลักษณะเะเขียน่กุฏิกอย่างนั้นสมาหลังก็อ่านี้ห่างกันก็ไม่น่งจะไกลขนาดไกลขนานั้หน่อยที่ขนาดนั้นมีขั้นเป็นกลมนี้ตอนตอนเดนเด่นตอนเด่นของข้างสลาย ตันเ้าทํานไปเดินอย่าเ้วลาท่านออกจี่มาแล้วทนเดินดับเส้นท่านท่านทำอะหน้่าเดินกรมท่เดินท่าเดนไตก็ไตกท่านนั้นไปขานีคือท่านเดืดเส้นกันท่านเดินเวลไตกไตก็ตัดไต่ตรงไกระดเป็นท่านดับเส้นกันมาดูรู้กพอได้ลาขกมภาพไป ในแม่ไม่รับเข้าที่พอออกกันคมนั่งเข้าห้องดับไฟเงียบนึ่เสียงถวนมมลพมพ์พุ่งไปแล้วเราไปใหม่หมาไม่ด้ดับเสือเราปกขันตัตายมันดื้อในกองทหารเราหมาไม่ด้ับเสือไปเงี่นึกเงียเยอะ่นาดนั้นนะวาที่มีทั้งสท้สถูกไหม บ้งหว่างนั่นนะเราก็เดินคนข้างตีออกที่ดูนั่นก็เดินอยู่ทังนั้นค่ะถึั้งทัวร์มันจะดิ่งของยังไงป๊อปก่อทางคนกันดั่งทางนันยังไม่ถึงมุมเขาเัยนนะห่างประมาณบนเสาหนึ่งห่างคือห้องคือความคออกมานั้นทานดุดแล้วนี่นะมันแปลกอาจารย์น รู ắng, không được ้แล้วนั่นนะยืนทางันทีทันทีเพราราะมัส้งด้วยความโง่หนีหนะเยื้ไม่เรื่อนแล้วไปค่อยตั้งมาใส้มันไปจัดพยานจริงพอดั้งเราตัองไปพอไปถึงทางโยมเรยเดินโยมพุ่งพุงก็ดีไปแล้วเนี่ย มานี๋มัน้เยหนอมันโงเฉยยทีเดยวันเนี่พอหลังพอหลังๆมันก็นุ่กลัวย้อนหลังนะน่าใจหายไปเลยนะมันดื้อมกันเลยก็พูม่ใจเลย่าทำยังไาะี่าถึงที่เขา้นี่ะเงียบอีถึงยืนน้าก็เลยทาเงียบเลยเนี่ย โอ้ยดีนะท่านมาไทายน่นนาท่านนั่งกลิ่นมาโอ้ยผมว่สลบไปเลยนะฮ้ท่านจะได้ยินยังไงถ้าพูดถึงตั้งหูเนื้อตาเ น, นื้อท่านจะเห็นผมได้ยินผมหน่อยก็ผมด้อไปนี่นะฮึได้ยินตัไรหวะตาทิ่ถนาดที่เรื่องลำบากใส่ยืนงง ง, งอยังไง มันมีที่ขั้นที่สามนี้มันร้อนวูบในใจจะ่พอระดับดันโอ้ยนี่ท่านคงจะรู้เราเปกท่านจะแตกไปเรื่อยมาที่สามขั้นมันเป็เรื่องทุกทีท่นดิ้นทุกทีอ้าวนี่วดร้อเป็นไฟเลยนะขั้งที่สามรู้สึกตัวแค่อยดัง่งออกไปพอเราไปนู้นท่านก็พุมพมขึ้นอีกทีนี้ไม่กล้ามาเลย แล้วคอยคอยที àng, ่เกิดกานใช่อย่นะคือประทูห okay. ้องทันเบใสแบบนี้นะเสแบบนี้ห้องทักันห้องสบายคือพอท่านท่านมีอะไรมัดอยู่ข้างในพอท่านแกะอะไรมัดอย่นี้มันดิบปึ๊ออกไปเราก็จัดใช้โน่นเหน่อยกันไปเลยผมเข้าก่อนเพว่อนเ เอาบริการนั่งอาอะไรอะไรออกเพาะคนนี่ใส่รวดเร็วขวนเพื่อนนีออกมาคนนี้ออกมาคนนี้ออกมาวันนั้นเข้าไปมันหัวหลังหวาว่าไงอี่โอ้ยเข้าไปก็ยืนหนุ่ยแล้วนี่นะพอเข้าไปรวด มองผมในตาเขาหงเงี้ยถูกโว้ยตายาเลยเราก็ทํางท่าเหมือนไม่รู้ไม่คิดแล้วเราไปอยั้งทักล้องดูจริงๆ น, นะแสดวนนวงว่านี้มีตัวสาคัญมื่อคืนของว่าง้งาพูดในใจนะนี่มันยิ่งชัดอีกตรงนี้นะเราแต่ท่านไม่พูดอะไรเลย น, นะไปท่านทานมาะไม่เคยพูดอะไรแต่สาคัญทีิงๆครับตาท่านบอกทัดจริงเงินรอยเปอร์เซ็นไม่สงสัยว่าเป็นไข่วางเงาพูนะ นี่นะอย่างัคุนมนีปัญหาอะไรอีกมมีไมวันนี้มัควรอะไรมากพูดอมนเมื่อยมนเมื่อยไม่เมื่อยตอนนี้ปลดลอคปอรู้ร่จะทนที เด็กที่เข้ามานั่นจกเห็นอะารๆทุกวันนั้นก็บอกเขาเองนะงานจะผมไม่ไบอกไม่ขี้อะไรเลยนะ